มันเราพบทางมันก็ต้องไปได้แต่ทางมันก็ไม่ต้องตันแต่มันตันมันก็ไปไม่ได้ผมรู้สึกตัวเหมันเปิดทางเปิดของที่คว่ำให้หงายขึ้นเปิดของที่ปิดให้เปิดออกผมรู้สึกตัวมักเกิบเป็นอย่างนั้นสัมผัสดูแล้วนะ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 เอาไปมามันก็ไม่ได้สร้างนะในตัวลูกในตัวลูกมันก็สร้างตัวลูกไปเองเหมือนไม่เหมือนวันสดุประกณบในตัวลูกมันก็สร้างตัวลูกพรามันอยู่ด้วยกันตัวลูกกับตัวหลงมันอยู่ด้วยกันแต่ว่าเราหัดเสียก่อนหัดแต่มันง่ายที่จะรู้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 หว่าวาสินรู้สึกรู้สึกรู้สึกเนี่ยช่วยทำใหม่ใหม่เหมือนกับ <c oughs> หัดขีดหัดเขียนหัดฉีดหัดเขียนเนี่ย <c oughs> เน้นทำเบาไม่เป็นเน้นดินสอเน้นช็อกแล้วก่อนเขียนกระดานกระดาน <c oughs> หิน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 เขาเขียนกลับไปกลับมาให้มันทันตรงนี้ให้มันทันตรงน้เขียนกลับไปกลับมาเขียนกลับไปกลับมามันจะมีสมองฝึกสมองของเด็ก <c oughs> แ้เาเขาเขียนภาษากระดาษเป็นแล้วเขาเขียนอากาศเขาเขียนอากาศเป็นกลับทีกลับไปทางหนังแล้วกลับมาทางหนังในเวลาสักสองนาทีสามนาที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 เราลุกจักิลหลวงพ่อเทียนสอนยกมือสร้างจาังหวะแบบหลวงพ่อเทียนสร้างจาังหวะสิบสี่จังหวะแล้วก็มีํานองเทศหลวงพ่อเทียนสอนเป็นอารมณ์อย่างนั้นอย่างนี้รูปลักษณะของหลวงพ่อเทียนเต็นรูปที่น่ารักยังไม่ได้ยินเสียงพูดก็น่ารักแล้วคนมังเลยมังลาดูหน้าตาไม่มีพิษไม่มีภัยต่อไป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 มันก็จริงแบบความเป็นทุกข์ความเป็นทุกข์มันก็ไม่จริงแบบความเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนเลยนี่ของสมมติของบัญญัติวัตถุต่างๆเห็นอย่างเนี้ยรู้จะลองพอเทียนหรือป่านะอยู่ที่ไหนเือเป็นหลงพอเทียนแม้หลงพอเทียนมรณภาพไปแล้วสิบกตปี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 แต่คุกเข่าเดินมายังหลมันก็พลิกตัวขึ้นพลิกตัวขึ้นก็สะบัดตัวเอาเขาเอาเขาเกาะเขา่าเกาะคิดตัวไปเราก็ต้องลงมันก็ช่วยตัวมันก็ลุกขึ้นมานควายตกหล่มช่างตกหล่มพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบกับคนที่มีทุกข์ไม่รู้จกถอนออกมาถอนออกจากความหลงถอนออกจากความโกรธถอนออกจากความทุกข์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 มันไม่ใช่ไม่ดีนะความหลงเนะ่ะมันดีชื่นใจเวลามันหลงโอ้โหมันอยู่นี่เลยกลับออกมารู้สึกตัวการสร้างเจะวะเนี่ยโอ้ยดีที่สุดแลวเป็นพลังงานที่ฉุดออกมาได้ไวแต่เป็นกำลังกำเป็นกำลังเครื่องทุ่นแรงการยกมือสร้างเจวะเป็เครื่องทุนงนงนงท่นแรงทำเรื่องหนักให้เป็นเรื่องเบาได้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 มันหลงก็หลงไปไม่เพียนรู้เวลามันหลงเพียนรู้เวลามันทุกเพียนรู้เวลามันโกรธเพยาาายียนรู้เวลาใดมันพยาบาทเพียนรู้เวลาใดี่มันเกิดการมาละคา้ปฏิฆะมาหนาทิฐ<ๆ>ิเพียนรู้เพียนรู้ขึ้นมาเมื่อมันไม่เกิดก็รู้ไปเรื่อยๆไปไม่ดีถ้ามันไม่เกิดไม่มีรสชาติแล้วมันเกิดหลงเกิดทุกเกิดโกรธดี มันประสบการณ์มันปรับตัวของมันการปรับตัวของมัน <c oughs> มันเป็นธรรมชาติกั้ น, นั้นเหมือนกับอัน <c oughs> <c oughs> ทีมันช่วยตัวเองนาะ่ถ้าเราหัดให้มันช่วยตัวเองแต่เราหัดไม่ให้มันช่วยตัวเองมันก็ช่วยตัเองไม่เป็นแม่แต่เราหัดต้นไม้เนะี่ย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 บางทีเราปลูกต้นไมใ้ใส่ปุ๋ยมากเกินไปมันก็ขี้เกียจไม่หายกินอันนี้ก็เคยสร้างปา่าเมื่ะสวนหมเนี่กับสวนมะม่วงบดภูเขาทองกับสวนมะม่วงที่นี่ลํำไยมะป่อยสมัยก่อนมีไม่คีแมวพอจบเกษตรศาสตร์มาเป็นอะไรคอนเทนก็ามาอยู่กับหลวงพ่อแล้วบอกว่า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 เอาจริตแบบไหนก็ไม่กลัวเลยบัดเอาเอาตอนนี้ก็ได้เอาตอนนี้ก็ได้มันเคยมาอย่างไรลาค่ะจริตโทสะจิตโมหจะจริตง่ายที่จะเกิดความหลงง่ายที่จะเกิดความโกรธง่ายที่จะเกิดกรมมาลคะสติลงไปสติลงไปจริตแบบไหนก็เสร็จเลยดีบัดดีบัดโอ้เนียตรงนี้ใช้ได้บัดมีประสบการณ์มีบทเรียนด็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 การตัดเวนตัดกรรมเป็นการตัดเบนตัดกรรมได้ทุกอย่างสิ้นเวนสิ้นกรรมควมรู้สึกตัวอ่าก็นอนได้มานั่งอยู่ที่ไนที่อยากให้เป็นอย่างนี้วัดป่าสุโกโตอยากให้เป็นอย่างนี้ทมวัดเช่าทมวัดเย็นเจดักอยากแกพูดอย่างนี้ที่อยู่ก็อยากให้เป็นสภาพแบบนี้ถึงนี้อย่างนี้อย่างนี้